ข่ามนุษย์ตั้งแต่เมื่อใดถ้าจะพูดเรื่องทำแท้งก็ตอบนิดเดียวอาตมาก็เลยนึกว่าวันนี้มาพูดเดียวยวก็จบเพราะว่าถ้าเริ่มจากจุดนี้ก็ไม่มีอะไรมากคำตอบจะดูได้ชัดจากวินัยของพระเราเอามาเทียบได้ทันทีคือพระสงฆ์มีวินัยบัญญัติข้อสำคัญอยู่ข้อหนึ่งว่าถ้าค่ามนุษย์แล้วก็ต้องขาดจากความเป็นพระภิกษุเรียกว่าเป็นประราชิกข้อหนึ่ง พระภิกษุที่ว่าฆ่ามนุษย์ฆ่ามนุษย์ตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าดูที่นี่แล้วก็จะเห็นว่าทัศนะของพระพุทธศา ส, สนาชาติอยู่แล้วสำหรับพระภิกษุตั้งแต่บวชวันแรกพอบวชเสร็จพระพุทธเจ้าก็บัญญัติไว้ว่าให้พระอุปชาบอกอนุศาสตร์อนุศาสตร์เป็นคำสอนเบื้องต้นให้พระภิกษุที่บวชใหม่รู้ว่าชีวิตของพระจะเป็นอยู่ได้อย่างไรอาศัยปัจจัยสี่อย่างไร แล้วก็บอกสิ่งที่ทำไม่ได้สี่ประการให้รู้ไว้ก่อนคือในขณะที่ยังไม่ได้รับการศึกษายังไม่มีความรู้ในธรรมวินัยว่าจะทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้บุตรใหม่ยังไม่ทันรู้เดี๋ยวจะพลาดไปซะก่อนฉะนั้นก่อนจะศึกษาอะไรต่อไปก็ให้รู้ไว้ก่อนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความผิดร้ายแรงสี่ประการถ้าทำแล้วจะขาดจากความเป็นพระภิกษุในสี่ข้อนั้น เฉพาะข้อที่สามมีข้อความเป็นภาษาบาลีบอกไว้ว่าโยพิกุสันจิตะมนุสสวิคหังชีวิตาโวโรเปติอนันมะโสคัพภาปาตนังอุปาทายะอสัมนโนโหติอสักยะปุตติโยนี่พระใหม่ทุกองค์จะต้องได้ยินพระอุปชาหรือผู้ที่พระอุปชามอบหมายให้บอกแปลได้ความว่า ภิกษุไดจงใจรากมนุษย์จากชีวิตแม้แต่เพียงทำคันให้ตกไปหมายความว่าทาแทงนั่นเองย่อมไม่เป็นสมณะไม่เป็นสักยะบุตรพอเริ่มบวชท่านก็บอกอย่างนี้ฉะนั้นการทำแท้งจึงเป็นการกระทาที่ต้องห้ามสำหรับพระภิกษุถ้าทำแท้งก็ถือว่าทำลายชีวิตมนุษย์ขาดจากความเป็นพระภิกษุข้อความที่ท่านบอกนี้ ท่านก็เอามาจากบทปัญญตัตในพระวินัยอีกทีหนึ่งทีนี้เราก็มาย้อนหรือดูให้ลึกลงไปถึงพระวินัยในพระวินัยบทปัญญตัตข้อนี้มีข้อความคล้คลายๆกันเพราะว่าคำบอกอนุสาสนั้นท่านก็เกือบจะลอกมาจากพุทธบัญญัติที่ว่าด้วยป ร, ราชิกนั่นเองพุทธบัญญัตินั้นมีว่าโยปนภพิโุสันจิตจ มนุษาวิคขังชีวิตตาโวโรเปยยะลาจนถึงองยัมปิป ร, ราชิโกโหติอสังวาโสแปลว่าภิกษุจงใจพราคมนุษย์จากชีวิตภิกษุนี้ป ร, ราชิไม่มีการอยู่ร่วมกับสงฆ์คือหมดสิทธิ์ไม่สามารถอยู่ร่วมกับภิกษุอื่นได้อีกต่อไปเป็นนั้นว่าแน่นอนแล้วและในคำบอกอนุสาธ ท่านก็ยังสรุปมาอีกให้รู้ว่าแม้แต่เพียงทำลายเด็กที่อยู่ในคันก็ไม่ได้ทีนี้ปัญหาก็ตามมาว่าที่ว่าทำคันให้ตกไปหรือทำแท้งนะ่ะหมายเอาตอนไหนตั้งแต่เมื่อไหร่อันนี้รู้สึกว่าเป็นจุดที่มาโยงเข้ากับเรื่องที่ว่าชีวิตเริ่มต้นเมื่อไหร่ทีนี้ก็มาดูคำอธิบายต่อไปวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงวางบทบัญญัติในพระวินัยนั้น ก็เหมือนกับวิธีที่ปฏิบัติกันต่อมาในกฎหมายทั่วไปคือต้องมีความชัดเจนทางด้านถ้อยคำมีการให้คำจำกัดความสำคัญทุกคำฉะนั้นในพระวินัยบัญญัติทุกบทจะต้องมีคำจำกัดความคำแต่ละคำมีคำจำกัดความไี่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าบัญญัติสิกขาบท น, น, นั้นเสร็จแล้วก็จะมีคาอธิบายต่อไปข้างล่าง ในข้อความว่าภิกษุใดพระมนุษย์จากชีวิตก็มีคำอธิบายแต่ละคำคำว่าภิกษุหมายถึงบุคคลมนุษย์หมายถึงพรกจากชีวิตหมายถึงท่านอธิบายไว้ทุกคำนี้เป็นลักษณะของกฎหมายก็มีคำจงกัดความที่บอกว่าพรากมนุษย์จากชีวิตนั้นภาษาพระใช้คำว่ามนุษย์สวิขหัง เราแปลง่ายๆว่ามนุษย์ซึ่งท่านให้คำจำกัดความไว้ว่าที่ชื่อว่ามนุษย์นั้นคืออย่างไรท่านบอกว่าได้แก่จิตที่เป็นปฐมคือวิญญาณแรกซึ่งปรากฏในคันมารดาจนกระทั่งถึงมรณะในระหว่างนี้ชื่อว่าเป็นมนุษย์สวิคหังเป็นอ น, นว่าตามคำจำกัดความของมนุษย์สวิขหังท่านถือว่าเป็นชีวิตมนุษย์ ตั้งแต่เป็นจิตแรกในท้องของมารดาจนถึงตายทีนี้ก็มีปัญหาต่อไปว่าจิตแรกหรือวิญญาณอันเป็นปฐมหรือปฐมมจิตนั้นคือตอนไหนถึงตอนนี้อัรถคถาก็อธิบายถ้อยคําและข้อความในพระไตรปิฎกบ้างท่านบอกว่าจิตที่เป็นปฐมนั้นได้แก่ปฏิสนธิจิตคือจิตที่ปฏิสนธิแล้วก็อธิบายต่อไปว่า ที่ท่านแสดงไว้นี้หมายถึงปฏิสนธิของสัตว์ที่มีขันห้าขันห้าได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะฉะนั้นจิตแรกนี้ก็พร้อมด้วยอรูปประขันทั้งสามคือเวทนาสัญญาและสังขารจุดนี้ก็ยังไม่สำคัญอันนี้เป็นเรื่องธรรมดา หมายเหตุผู้อ่านเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำได้หมายรู้และสังขารตามปกติจะแปลได้หลายอย่างซึ่งสังขารในขันห้านั้นหมายถึงสังขารขันสภาพที่ปรุงแต่งจิตเป็นคุณสมบัติต่างๆของจิตทีนี้ท่านบอกต่อไปว่า กับทั้งกาลล้ารูปที่เกิดพร้อมด้วยปฐมมจิตนั้นนี่แหละคำนี้ตัดสินเลยเป็นอนว่าท่านบอกไว้ครบแล้วทั้งด้านจิตใจและด้านร่างกายคือหนึ่งทั้งด้านจิตใจหรือนามนธรรมได้แก่ปฐมมจิตและรู ป, ปรขันธ์ทั้งสามคือเวทนาสัญญาและสังขารที่เกิดร่วมกับปฐทมจิตนั้นส่วนทางด้านร่างกายหรือรูปธรรม ก็บอกว่าและกาลละลารูปที่เกิดพร้อมด้วยปฐมจิตเป็นอันตัดสินได้แล้วว่าฝ่ายรูปธรรมได้แก่กาลละล้ารูปกาลละล้ารูปนี้คืออะไรเดี๋ยวเราจะต้องมาพิจารณาเรื่องนี้กันอีกทีและท่านก็สรุปว่านี้หละชื่อว่ามนุษยวิคหะที่เป็นเบื้องแรกที่สุดหมายความว่า จุดเริ่มแรกที่สุดของมนุษย์อยู่ที่นี่แล้วก็มีคำอธิบายสรุปท้ายอีกว่ารากมนุษย์จะชีวิตแม้ในเวลาที่เป็นกาลละนี้ชื่อว่าทำแทง้งหรือทำคันให้ตกไปฉะนั้นก็ได้ความหมายของการทำแทง้งหรือฆ่ามนุษย์ในคันตั้งแต่รูปเล็กที่สุดที่เป็นกรลละรูป ตกลงว่าสำหรับภิกษุนี่ชัดเจนแล้วว่าถ้าทำลายชีวิตมนุษย์ตั้งต้นแต่เขาอยู่ในคันมารดาเป็นกาละละรูปเป็นรูปที่เป็นกาละละก็ถือว่าขาดจากความเป็นพระภิกษุชื่อว่าทำลายชีวิตมนุษย์ทั้งสิน้น